แต่ในจำนวนอาหารทั้งสี่อย่างคือโดยสรุปก็คือว่าในยะนี้ท่านกล่าวถึงไพของอาหารทั้งสี่อย่างคือต้องการให้ทราบว่าไพของกาวรินกราอาหารผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารและวิญญาณอาหารนั้นนะเป็นอย่างไรฉะนั้นในจำนวนอาหารทั้งสี่อย่างเหล่านั้นที่เป็นไพยอย่างนี้เพื่อจะให้ครอบงำครอบงำอะไร ครอบงำความไข่ความต้องการความอยากในกัลวิงกลาหารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงเปรียบเทียบกับเนื้อบุตรโดยในที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผัวเมียสองคนแม้ฉันใดเพื่อให้ครอบงำความไข่ในภาษาหานเนี่ยจึงทรงแสดงการเปรียบเทียบด้วยแม่โคที่ถูกถลกหนังด้วยมีอที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม่โคที่เขาที่เขาถลกหนังแล้วเนี่ยแม้ฉันใด คือถ้าดูเกวลิงกราหานเนี่ยท่านจะอุปมาสองสามีภรรยากินเนื้อบุรให้เห็นโทษอย่างนั้นถ้าจะให้เห็นโทษของผัสสหานให้พิจารณากำหนดเปรียบเทียบเหมือนแม่โคที่ถูกลอกหนังถลกหนังออกแล้วไปยืนอยู่กลางแจ้งให้ดูว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนจากการที่เหลือบ ลิ้นไหลลมแดดต่างๆเหล่านี้มาถูกต้องผนะัษสะเกิดขึ้นก็เป็นโทษอย่างนั้นหนูพราะมันนําเวทนามาเมื่อเวทนาเกิดตัณหาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดอุปาทานเกิดกรรมก็เกิดเมกกื่อกรรมเกิดแล้วก็ได้วิบากอย่างนี้เป็นต้นนะเพื่อให้เกิดการครอบงามความไขในมโนสัญเจตนาหารเพื่อจะสามารถละความไขความต้องการ ในการทำกุศลกรรมและอกุศลกรรมจึงทรงสแสดงเปรียบเทียบด้วยหลุมฐานเพิงนะในขณะที่ทำบาปแต่ละครั้งทำบุญแต่ละครั้งเน่ยเหมือนหลุมฐานเพิงดูก่อนสิกน์ทั้งหลายหลุม่านเพิงแม้ฉันใดนะเพื่อจะให้ครอบงำความไข้ในวิญญาณอาหารคือตัวปฏิสนที่วิญญาณก็เปรียบเทียบเหมือนการถูกแทงด้วยหอก300เล่มตอนเช้าสา0รเล่มกลางวัน300เล่มตอนเย็นอีก300เล่มวันหนึ่งโดน900ารเล่มเหมนไะ โดดลงไปพบไหนเจ็บปวดพบนั้นท่านให้พิจารณาอย่างนั้นให้พิจารณาเหมือนทําไมถึงโดนหอกขนาดนั้นเหมือนพวกโจรชั่วที่ประพฤติชั่วทั้งหลายฉั้นใดนี้เป็นการประกอบเนื้อความโดยสังเขปในการอธิบายให้แจ้งชัดในหานวาระในกลุ่มที่อธิบายสังเขปอย่างนี้ท่านเข้าใจเลยแต่ถ้าในกลุ่มของในญาบุคคลนี่นะท่านจะฟังรายละเอียดบอกสองพวเมียเปรียบเทียบภรรยา สามีภรรยากินเนื้อบุดสองสามีภรรยาพากันอุ้มบุรเดินทางไกลถึงแกนดานร้อยยดร้อยยดที่ไม่ธรรมดานร้อยยอดยดหนึ่ง16กิโลเมตรถ้าร0อยยดเป็นกี่กิโลเมตรนี่ยกพันกกิโลเมตรโดยสเบียงเล็กน้อยเมื่อเดินไปได้50โยดดสเบียงนั้นก็หมด คือมีสเสบียงอยู่ไม่มากสรุปแล้วเดินได้5้ายดเขาทั้งสองก็ะสับกระสายเพราะความหิวกระหายพากันนั่งใต้ร่มเงาไม้โปรง่งต้นไม้ที่ไม่มีใบมีแต่กิ่งอ่ะเพราะอยู่กลางทะเลทรายถัดนั้นน่ะชายได้พูดกับภรรยาว่าน้องนางเอ๋ยระยะทางต่อแต่นี้ไปห0โสิบยศปรอบนี้ไม่มีบ้านหรือนิคมเลยคือไม่มีหมู่บ้านไม่มีคามนิคมเลยว่าเพราะฉะนั้นบัดนี้ พี่ไม่สามารถทำงานตั้งมากมายที่ผู้ชายจะพึงทำได้มีการทำนาและเลี้ยงโคเป็นต้นคือไม่สามารถที่จะทำได้เลยว่ากันตนเองหมดแรงนั่นเลยมาเถิดน้องจงฆ่าพี่คือฆ่าเราได้เถอะแล้วก็จงฆ่าพี่แล้วก็กินเนื้อเสียครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เอาเป็นสเสบียงในการที่เดินทางกันดานไปกับลูกเพื่อจะได้ให้ถึงจุดหมายปลายทางฝ่ายนางก็ได้บอกกับสามีว่าพี่ขาโน บัดนี้เนี่ยน้องไม่สามารถที่จะทำงานของหญิงที่พึงจะกระทำได้ไม่ว่าจะเป็นงานปั่นได้หรือเป็นการงานต่างๆตั้งมากมายเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้น้องก็ไม่มีแรงในการที่จะทำการงานได้เหมือนกันต่สมัยก่อนก็คือกลุ่มโรงงานทอผ้าทั้งหลายทำได้ทำปั่นได้ทั้งหลายมาเถิดพี่จงฆ่าน้องแล้วกินเนื้อเสียครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เอาเป็นเบียงเดินทางกันดารไปกับลูกเถิด ต่างฝ่ายต่างก็บอกว่ายอมสละชีพะสละชีพฝ่ายชายจึงพูดกับภรรยาวักน้องเลยพ่อแม่บ้านตายความตายก็จะปรากฏแกเราทั้งสองพ่อลูกคือถ้าฝ่ายแม่บ้านตายเนี่ยความตายก็จะปรากฏแกเรานีทั้งสองพ่อลูกเพราะเด็กน้อยนะเว้นมารดาแล้วไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ ถ้าเราทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ก็จะได้ลูกอีกอยากขกันนั้นเลยบัดนี้เราฆ่าลูกน้อยกินกันเถอะถ้าเราสองคนยังอยู่สามารถที่จะมีลูกได้อาหารไม่มีล้ำดับนั้นแม่ก็ได้พูดกับลูกว่าลูกเอยจงไปหาพ่อเถอะลูกก็วิ่งไปหาพ่อเนี่ยหัดจากนั้นพ่อก็บอกลูกว่าพี่ได้เสวยทุกข์ไม่น้อยเพราะการทํานาเลี้ยงโคได้หวังจะให้เลี้ยงลูก พี่ไม่อาจที่จะฆ่าลูกได้พิจารณาดูบวกแต่ก่อนที่จะเดินทางมาเนี่ยทุกลําบากในการทําโครั ก, กรรมพาณิชกรรมเป็นต้นเนี่ยนะทำนาค้าขายเป็นต้นมาก็เพื่อลูกนี่แหละแล้วจะให้พี่ฆ่าลูกเนินทาไม่ได้ทําไม่ได้บ้างเธอนั่นแหละจงฆ่าลูกดังนี้แล้วก็บอกลูกว่าลูกเออยจงไม่หาแม่เธอให้ลูกวิ่งไปแท้จริงก็คืออยู่คนละมุมแม่บอกให้ลูกวิ่งไปหาพ่อ พ่อก็บอกผมไม่ได้แล้วเนี่ยบอกให้วิ่งไปหาแม่ถึงแม่ของลูกนั้นก็ได้พูดว่าฉันก็อยากได้ลูกได้เสวยทุกขทรมานไม่ใช่น้อยด้วยการประพฤตินตนเยี่ยงโคประทุดเยี่ยงอย่างลูกสุด น, นะแล้วก็อ้อนวอนต่อเทวดาเป็นต้นก่อนไม่ต้องพูดถึงความทุกข์ความรักในขณะที่ประคับประคองท้องนะบอกกว่าจะได้ลูกคนนี้มาเนี่ย บนบานสารก่าวมาไม่รู้เท่าไหร่สารพัดแหะประพฤติเยี่ยงโคเยี่ยงสุนทรก็เอาในสมัยนั้นก็บอกถ้าทําอย่างนี้เราจะมีลู ก, กเอาหรือไปอ้อนวอนขอต่อเทวดาก็ทําและยังทุกในการที่จะต้องดูแลเกี่ยวกับในเรื่องของลูกในครันเนี่ยนะก็คบปงโงมให้อาหารให้วิตามินเขาขนาดไหนไม่ต้องการในบอกว่า ฉันไม่อาจาที่จะฆ่าลูกได้แล้วก็บอกลูกว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงไปหาพ่อเถอะลูกนั้นเมื่อเดินไปเดินมาในระหว่างพ่อกับลูกหนึ่งเนี้ยเดินจนเหนื่อยที่ดจริงๆลูกตายเองลูกเนี่ยตายเองสองผัวเมียนั้นเห็นลูกแล้วก็พากันข้าควรข้ามควรร้องไห้นะเอาเนื้อของลูกมากินแล้วก็หลีกไปตามในที่กล่าวไว้ดังนี้เป็นต้นเขาทั้งสองนั้นไม่ได้เอาเนื้อบุตรกินเป็นอาหารเพื่อเล่น คือบอกว่าเขาไม่ได้กินเพื่อเล่นอะไรเลยนะในขณะที่กินนั้นนะ่ยไม่ได้กินเพื่อเมาไ ม, ไม่ใช่กินเพื่อประดับประดาไม่ใช่กินเพื่อตกแตง่งแต่เพื่อต้องการข้ามให้พ้นจากกันดานอย่างเดียวเท่านั้นเองเพราะเพราะอะไรเพราะเป็นของปฏิกูลทั้ง9ประการเก้าประการบอกเป็นยังไงคือเป็นเนื้อที่เกิดจากตน้เนื้อทุกชิ้นที่ตนเองกินเนี่ยตนเองเป็นคนทําให้เกิดมาทั้งนั้นแล้วก็เพราะเป็นเนื้อของญาติ เป็นเนื้อของลูกด้วยเป็นเนื้อของคนที่เรารักหรือเป็นลูกที่เรารักมากเพราะเป็นเนื้อของเด็ก อ, อ่ อ, อนและเนื้อนั้นก็ยังเป็นเนื้อที่ดิบอยู่เพราะเป็นเนื้อที่ไมเ่เนื้อที่ไม่ได้ใช้เขากินกันเลยเนื้อประเภทนี้เพราะไม่ได้ใส่เกลือแล้วก็เป็นเนื้อที่ยังไม่ได้ย่างให้สุดให้สุกเพราะฉะนั้นน่ยภิกษุหรืออุบาสกาอุบาสิกาทั้งหลายเนี่ยเวลาจะบริโภคเกาลิงกะลาหารที่เป็นคำๆเนี่ยเมื่อตั้งอยู่ในปากแล้วเนี่ย ให้ตรึกถึงเรื่องนี้เสมือนหนึ่งว่าลูกอย่างนี้ก็จะครอบงำคลายความอยากความใข้ความต้องงานในกลรวริลิงกลาอาหารได้นี้เป็นการประกอบในการที่จะพิจารณาหรือตรึกในการที่บริโภคอาหารทุกครั้งเองไหมพุทธาสอนบริษัทท่านภาษารีบุตรก็นำบทนี้มากล่าวกันถ้ารู้ชัดในอาหารอย่างนี้ก็คือเห็นภัยของอาหาร เคยทำให้ได้อย่างนี้มกลับไปตอนเย็นยอมสมาธิก่อนก็เลยเนอะบอกใครอย่ามารบกวนเนอนี้จะเอาจะเห็นภัยของอาหารหนิดนี่เขาเรียกว่าเห็นภัยของอาหารประการต่อมาคือเปรียบเหมือนกับแม่โคที่ถูกถลกหนังในด้านของผัสอาหานนะส่วนในข้อเปรียบเทียบด้วยผัสอาหารในแม่โคที่เขาถลกหนังพึงทราบอถาธิบายต่อไปบอกแม่โคนั้นเขาถลกหนังแต่คอจนถึงจนถึงเล็บคือถลกออกไปเนะี่ย แล้วก็ปล่อยทิ้งเข้าไว้เออถ้าอยู่ทางแถวบ้านนอกบางทีหนนะูในกลุ่มที่เขาลอกพวกกินหนูทั้งหลายเนะี่ยก็เขาจะลอกหนังออถลกหนังออกมาทั้งหมดมแม่โคนั้นเขาถลกแต่หนังจนถึงปลายเล็บทิ้งไว้มันก็จะถูกสัตว์ที่มีชีวิตกัดกินอยู่ในที่ที่มันอาศัยอยู่คือในขณะที่หนังไม่มีแล้วถลอกปอกเปิดออกมาหมดแล้วเนี่ยไม่ตา ย, ยางไงเอาแต่หนังออกถามว่ามันจะถูกสัตว์มีชีวิตนั้นนะ่ยอาศัยกัดกิน จะมีแต่เรื่องทุกข์เท่านั้นฉันใดพึงกำหนดผัสสะฉันนั้นเหมือนกันนั้นผัสสะที่นำสุขเวทนาพระพุทธเจ้าให้กำหนดรู้ด้วยความเป็นทุกข์ทุกเวทนาให้กำหนดรู้ด้วยความเป็นลูกศร อ, อทุกคมสุขเวทนาให้กำหนดรู้ด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเพราะผัสสะเป็นตัวนำมาให้ให้ตรึกพิจารณาเหมือนกับแม่โคที่ถูกถลกหนังออกแล้วไปยืนอยู่กลางแจ้งฉันนั้น อาศัยวัตถุหรืออารมณ์ ใ, ใดๆสถ็จอยู่จึงมีแต่เรื่องทุกข์ในการเสวยเท่านั้นจึงเกิดวัตถุและอารมณ์นั้นๆอาศัยอารมณ์ทุกอารมณ์นั้นถามว่านําเรื่องทุกข์มาให้หมดเลยไม่ว่าจะอาศัยทางตาคือสีมีจักขคูวิ ญ, ญญาณประชุมรวมการเวทนาที่เกิดต่อทั้ง3อย่างเป็นทุกข์หมดเลยเพราะสุขเวทนาพระองค์ให้ดูให้ใ ห, ให้กำหนดรู้โดยความเป็นทุกข์นี่ทุก ข, ขเวทนาให้รู้ด้วยความเป็นลูกศรใช่ไหมอุเบกขาเวทนาให้กําหนดรู้โดยความเป็นของไม่เที่ยง ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็กำหนดลงสู่ทุกหมดเลยเพราะฉะนั้นภิกษุได้เห็นผัสสะสารเป็นเสมือนกับแม่โคที่เขาถลกหนังอยู่อย่างนี้ภิกษุนั้นจะครอบงำความใคร่ความต้องการในผัสสะทั้งหลายได้ในผัสสะทั้งหกเหนื้อภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจะครอบงำความใคร่คือตัณหาจะได้ ถ้าไม่กำหนดถหิงโทษของผัสสะเนี่ยมีไหมที่จะไม่ที่จะละตัณหาคือความใไข้ความต้องการได้ละไม่ได้เลยฉะนั้นต้องรอบรู้ในผัสสะให้ได้จริงๆเนี่เป็นยังไงนี่เป็นการประกอบเปรียบเทียบนะในโคที่เขาถลกหนังต่อมาเปรียบเสมือนหลุมฐานเพิงในมโนสัญเจตนาหารอธิบายบว่าพบทั้งสากามาพบรูปพบและอรมพบเหมือนแร เหมือนหลุมฐานเพิงเอ๊ะถ้าบอกว่าในอบัยในอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็ดสัตว์นรกนี่เหมือนหลุมฐานเพิงเราเชื่อนะแต่ท่านในมนุษย์เหมือนหลุมฐานเพิงเชื่อไหมถ้าไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยเหมือนหลุมฐานเพิงภพสาอบอกเป็นหลุมฐานเพิงเพราะอัตว่าร้อนละอุ่มากมโนสัญเจตนาหารเหมือนกับชายสองคนชายสองคนต่างพากันจับแขนกระซ่ากระชากลงไปในหลุมฐานเพิงเหล่านั้นเพราะอัตว่า ถุดกระชาตเข้าไปในภพทั้งหลายถามว่าในขณะที่ทํากรรมก็แปลว่าจะต้องไปให้ไปเกิดได้เกิดต้องรับภาระก็คือต้องให้ไปทำทำกรรมตอนนี้ก็คือจะต้องไปรับภาระเรียนเพื่ออะไรเพื่อจะเป็นสมมุติบางกลุ่มก็เรียนเพื่อไปเป็นครูไปเป็นครูแล้วต้องมีภาระไหมเรียนจริงเพื่อจะเป็นทหารเป็นตํารวจเรียนเพื่อจะเป็นทนายเรียนเพื่อจะเป็นอายการเรียนไปเพื่อทําการค้าอะไรเนี้ย ทำกรรมไปเพื่อที่จะไปทกข์มันเหมือนคนจับกระชากเนี่ยลงในหลุมถ่านเพิงเหมือนจับลราโยนลงไปจับโยนลงไปบอกอยากจะไปตรงนี้ดีใช่มหมเพราะสร้างเหตุแบบนี้เขาก็จับโยนให้จับโยนให้จับโยนให้แต่สิ่งในนั้นรับผิดชอบหมดเลยไปรับผิดชอบหมดเลยบางคนแต่ไหมัยก่อนนี่มองไม่ค่อยเห็นนะบางทีมีวัตถุสิ่งของคนเขาให้โอุย๊ยดีใจแทบตายเชื่อไหมตั้งแต่เขาให้มาเราต้องเช็ดทุกวันเลย ถ้าไม่ถูแล้วเขาป็นก็เป็นทุกข์อีกมองใจเป็นทุกข์ใช่ไหมอีกเขาให้ที่อยู่มาให้เนี่ยต้องเช็ดทุกวันใช่ไหมให้รถมาให้อย่างสตาร์ทเครื่องทุกวัน เ, นเพราะฉะนั้นภิกษุได้เห็นมโนสัจเจตานาหารว่าเป็นเช่นกับหลุมถ่านเพิงอยู่อย่างนี้ภิกษุนั้นครอบงำความไข้ในมโนสัจเจตานาหารให้นี้เป็นการเปรียบเทียบนะในการในกรรมทั้งหลายส่วนข้อเปรียบเทียบเกี่ยวในเรื่องของหอกนะที่แทงอะ่ะหอกร้อยเล่มนั่นแหละ ถูกหอกสามร้อยเล่มพึงทราบบอกว่าเวลาเช้าเนี่ยจริงๆในที่นี้จะบอกว่าโดนหนึ่งรอยเล่มก็บอกชายคนหนึ่งเดือดร้อนเพราะหอกร้อยเล่มจำนวนใดหอกจานวนนั้นแทงร่างกายของเขาให้เป็นบาดแผลถึงร้อยแห่งทรุอยู่ในระหว่างแล้วนคือตอนเช้าในทํานองอย่างนั้นนะเขาโดนไปแล้วหนึ่งร้อยเล่มในสรีละนี่แทบทั้งหมดอยู่แล้วใช่ไต่อมาก็คือว่า หล่นออกไปห อ, อกนั้น200รเล่มอีกต่างหากก็อย่างนั้นน่ยคือห อ, อกอีกร้อยเล่มหลุดไปแล้วต่อมาโดนอีก200เล่มและประการต่อมาห อ, อกทั้งหลายนั้นพุ่งไปหล่นในโอกาสที่ร้อยดามรุ่นเก่าแล้วก็หล่นไปแล้วทุกของชายนั้นเกิดขึ้นเพราะปากบาดแผลแม้ปากบาดแผลเดียวก็หาประมาณไม่ได้อยู่แล้วคือจาก1แผลก็หาประมาณไม่ได้อยู่แล้วจะป่วยเก่าวไปยายถึงทุกที่เกิดเพราะบาดแผลทั้ง5้าทั้งสามอยเล่มสามร้อยแผล บรรดาเหตุการเหล่านั้นบอกปฏิสทุทธิเหมือนกับเวลาที่ห อ, อกตกลงถูกการเกิดของขันเหมือนกับการเกิดบาดแผลตามปฏิสทุทธิวิญญาณที่มันตั้งขึ้นครั้งแรกน่ะเหมือนห อ, อกที่พุ่งเข้าใส่เหมือนห อ, อกที่พุ่งเข้าใส่การเกิดขึ้นของทุกนาน า, นาชนิดมีวัตตมูลนะในเพราะว่ามีขันนั่นเองเกิดขึ้นถ้ามีขันมาแล้วมีชาติทุกไหมชาราทุกขมรณะทุกโสกะ ป, ปริเทวะทุกกระทมนัสะอุปาญาต ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลเนี่ยมีเพราะการเกิดเป็นปจนัจจัยนะฉะนั้นการหยั่งลงการประชุมลงกันของขันห้าขันสามขันหนึ่งเนี่ยเป็นการหยั่งลงกันของทุกขมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมฉะนั้นทุกทุกจากปฏิสนธิอีกในหนึ่งปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยเหมือนชายผู้ประพฤติชั่วช้านามรูปเป็นมีวิญญาณเป็นปัจจัยเหมือนปากแผลที่เกิดขึ้นแก่ชายคนนั้นเพราะถูกหอกทั้งหลายแทงแล้วคนที่ทําผิดทำชั่ว ที่ได้รับทุกโทษทั้งหลายโดนแทงเนี่ยเพิ่งเห็นการเกิดขึ้นของทุกมีประการต่างๆสําหรับวิญญาณเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยด้วยสามารถของกรรมกร32ประการกรรมกร32ประการคือในกลุ่มที่เขาลงโทษกันในสมัยครั้งพุทธกาลหรือสมัยก่อนนั่นพระราชาเวลาเขาลงโทษกันเขาทายังไงรู้ไหมเขามาปุ๊บบางทีเขาก็แล่เนื้อแล่เนื้อแล้วก็ลอกหนังบางทีก็ใช้เหล็กเนี่ยแทงจากขงซ้ายทะลุหูขวาหรือบางทีก็แทงจาก ควรก็หม่อมทะลุข้างหลังข้างล่างแทงจากข้างล่างทะลุข้างบนหรือว่าแทงเข้าไปจากทะลุกันเบรเสร็จแล้วก็เอาไปเอาไปกลิ้งหันอย่างกระหมเนี่ยสารพัดหรือบางทีก็ใช้เหล็กหนามอะไรต่างตอกที่เล็บตอกที่สรีร่ต่างๆเหล่านี้นี่เขาทรมานกันอย่างนั้นโรคอีก98ชนิดเป็นต้นมีการเกิดขึ้นแห่งทุกข์ในกระชักแก่ชายคนนั้นมีปากแผลเป็นปัจจัย ในสรีระในร่างกายของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเป็นรังของโลกบนเลยเพราะฉะนั้นภิกษุได้เห็นวิญญาณอาหารเป็นเช่นกันกับถูกแทงด้วยหอกสามร้อยเล่มอย่างนี้ภิกษุนั้นครอบงามความไข่ในวิญญาณอาหารเสียได้นี้เป็นการประกอบในการเปรียบเทียบของอาหารสามร้อยเล่มเธอครอบงามในอาหารเหล่านั้นอย่างนี้ว่าชื่อว่าย่อมกําหนดรู้อาหารที่จริงท่านกําหนดรู้อาหารในลักษณะอย่างไรบอกเห็น คุณของอาหารและก็เห็นโทษของอาหารดังที่ได้กล่าวสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายกําหนดรอบรู้กาวลิงกราหารแล้วราคะที่อาศัยเบญจกรรมะคุณก็เป็นอันกําหนดรู้แล้วถามว่าถ้ากําหนดรอบรู้เห็นภัยของกาวลิงกราหารเหมือนกับสองสามีภรรยากินเนื้อบุตรของตนเองสามารถที่จะครอบงําราคะได้ไหม การราคาความกำหนัดความยินดีได้ไหมสามารถจัดการได้ทีนี้ก็เป็นอันว่ากําหนดรู้แล้วนะเมื่อกําหนดราคาที่อาศัยเป็นจากกรรมคุณแล้วก็จะไม่มีสังโยชน์คือการมราคาสังโยชน์ก็จะไม่เกิดตัวที่เครื่องผูกในการที่จะยินดีพอใจในอาหารก็จะไม่เกิดแล้วซึ่งเป็นเหตุให้อริยสาวกผู้ประกอบแล้วมาสู่ในโลกนี้ถามว่าถ้าไม่กําหนดอย่างนี้สังโยชน์จะผูกไหมเชือกสังโยชน์เชือกนี้จะคล้องไหมจะผูกไว้ไหม พอกาหนดแล้วราคาเกิดความกําหนัดเกิดความยินดีเกิดอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ขนาดในธรรมวินัยนี้ก็ยังออกจากว่าต่าไม่ได้เลยถ้ายังยินดีพอใจในอาหารอย่าพูดถึงอย่างปุโรชนอย่างเล่าๆเลยใช่ไหมที่ไม่ได้กําหนดรอบรู้ที่ไม่ได้กันตัณหาในขณะบริโภคอาหารเลยถามว่าจะขนาดไหนเราผูกกี่พันเซนแล้ว ถามว่าเห็นปลาเราเคยคิดไหมว่าเออขอให้เขาจงมีชีวิตอยู่ยืนนานบางคนเห็นปลาเออถ้าต้มจะอร่อยเนยขณะเห็นปลาใช่ไหมเพราะมันมันชอบเหมบางคนเนี่ยเห็นแทนที่จะมีจิตเป็นศีลกุศลเกิดแต่เป็นบาปสิ่นี้ทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ได้ไปทําบาปทางกายกรรมวจีกรรมอะไรเลยนะแต่มโนกรรมเอาไปซะแล้วเป็นพยาบาทตลอดไม่อยู่ ด, ดิไม่ได้กําหนดนี่เสียหายเลยเห็นอาหารอร่อยอร่อยเป็นยังไงเนี่ยไม่ทานบริโภคเลย เอ๊ะนะเอเดี๋ยวจะต้องมาลองดูสักหน่อยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อกําหนดรู้รอบรู้ภาษาหานแล้วเวทนาทั้งสสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นอันเธอทั้งหลายกําหนดรอบรู้แล้วคือกําหนดรอบรู้แล้วเมื่อกําหนดรอบรู้เวทนาสแล้วเราจะถาคตกล่าวว่าอริยสาวกจะไม่มีกิจอะไรที่ต้องมาทําไปให้ยิ่งไปกว่านั้นเพราะว่าตถาพระพุทธเจ้ารับรองเลยถ้าเธอกําหนดรอบรู้เนะี่ยรอบรู้ด้วยอะไร รอบรู้ด้วยยาตาปริญญาตีระนปริญญาและประหารนัปริญญาไม่ต้องมีกิจอะไรทำอีกแล้วถ้าสามารถรอบรู้ได้ขนาดนั้นถามว่ายาตาปริญญารู้หรือยังคือรู้จากเวทนาจริงๆแยกแยะออกอะ รู้บัางไม่รู้บังงอ้าท่องมาแล้วเนี่ยเรียนมาแล้วเวทนาสามเวทนาห้าแล้วก็เวทนาสังขารไงเรียนมาแล้วรอบรู้เรียนมาแล้วถามว่างั้นชื่อว่ารอบรู้ไหมอย่างนั้นยังไม่เรียกว่ารอบรู้เพราะยังไม่ได้กําหนดเพื่อจะละราคะยังไม่ได้กําหนดอนสุขเวทนาเพื่อละราคะไม่ได้กําหนดทุกขเวทนาเพื่อละปฏิคะไม่เได้กําหนดอุเบกขาเวทนาเพื่อจะละอวิชาและยังไม่เรียกว่ารอบรู้ให้รู้จักตัวเวทนาก่อนนะ ลำดับแรกเนี่ยคือว่ามองสีนี้ว่าเป็นเวทนาอะไรเกิดได้ยินเสียงนี้แล้วเวทนาอะไรเกิดให้รู้ตรงนี้ก่อนเอาเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนได้ยินเสียงด่าให้รู้ว่าเป็นเวทนาอะไรได้ยินเสียงชมให้รู้ว่าเป็นเวทนาอะไรก่อนให้รู้เบื้องต้นแบบเนี้ทําได้ไหมโยมเอาแค่ว่ากลับไปบ้านพอได้เห็นสิ่งของในในบ้านแล้วรู้ว่าเวทนาอะไรจะเกิดกับเราเนี่ยให้รู้ตรงนั้นก่อนให้แยกแยะให้ถูกก่อนเนี่ยทำได้ไหมพอเห็นสิ่งนี้แล้วรู้เลยโอ้ตอนนี้เป็นสุขคเวทนา แล้วตอนนี้เป็นทุกขเวทนาตอนนี้เป็นอุเวขาวเวทนาแยกได้ไหมต้องตรึกบ่อยๆแล้วก็จะแยกได้ถ้าแยกแล้วจะเขา้าถามเป็นความจําเป็นไหมเป็นความจําเป็นดแจะไม่รู้จากเวทนาแล้วจากการตัณหาได้หรืเพราะไม่ทําไม่รู้ภาษาใช่ไหมก็กันเวทนาไม่ได้เพราะเปิดอาหารขึ้นมาก็นึกถึงสองสามีภรรยากินเนื้อบุตรด้วยก่อนนึกบ่อยๆ บ, บางคนบอกว่าบางคนบอกว่าอดีตหลายปีมาแล้วยังไม่เท่าไม่ ถ้าเป็นเน็กอย่างงั้นเดี๋ยวกินแม่อร่อยบอกไม่รู้ปังอะไรมาก็ไม่รู้จะไม่ให้กินนะย่งเมา่เพื่อบอกจะคิดหนักแล้วอย่าเอางั้นนะต่อไปได้เคี่ยวอาหารช้าๆกอลิงกะลาหานจะได้ตั้งขึ้นจะได้ไม่ต้องเคี้ยวมากใช่ไหมบางทีปริมาณอาหารบางทีไม่ต้องใส่ไปมากเท่าไรบางทีเราใส่ไปเกินอะไรเพอใส่ไปเกินมีโทษมานั่งเรียนว่าทำอะไรดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลาย เมื่อกำหนดรอบรู้มโนสัจเจตนาหารตัญหาสามกามตัญหาพวตันหาวิภระวตตัญ ห, หาก็เป็นอันวากำนดรู้แล้วถ้ารู้กรรมเนี่ยรู้ตัญหาคือถ้าหากไปรอบรู้มโนสัญเจตนาหารคือเจตนาในการที่จะกระทำกรรมที่จะเป็นไปในกรรมพรูปพบอรมณ์พบยังไรู้นี่สามารถกำหนดรอบรู้ได้วันนี่เจตนาที่ทำกรรมเนี่ย จะเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นอะไรฟังทำเนี่ยรู้ทันทีนว่าสร้างเหตุปัจจัยการเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเนี่ยก็รู้ทันทีว่าเนี่ยที่ก็จะละละตัณหาคือความอยากตัวนั้นก็จะได้ละตัณหาคือความอยากความต้องการในการที่จะจะทําให้มโนกรรมเกิดขึ้นผิดพลาดคือในขณะฟังพระธรรมเนี่ยรู้ไหมถ้ากุศลจิตเกิดขึ้นเมื่อกุศลจิตเจตนากรรมเกิดขึ้นในขณะฟังหวังอีกต่อไปหรือเปล่า เออเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาไอ้ความหวังตัวนั้นเป็นตันหามาแทรกต่อนี่เรารู้ทันทีใช่ไหมเพราะเราไม่ได้กําหนดรู้แต่ถ้าคนกนําหนดรู้บอกเออเนี่ยที่ทํากรรมอย่างนี้จะสร้างเหตุปัจจัยในการเกิดเป็นมนุษย์ก็คือว่าเรายังจะต้องอาศัยเหตุปัจจัยตรงนี้แต่ที่สุดจริงๆก็คือพยายามภาคเพียรในการที่จะปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้รู้เหตุปัจจัยนั้นสร้างอย่างไม่หยุดนิ่งจเจริญกุศลอย่างไม่หยุดนิ่งเห็น ไ, ไหมแต่รู้กรรมเลย แล้วเห็นคนอื่นทํากรรมหรือเรากําลังจะทําอกุศลรกรรมก็รู้วิบากเลยรู้ภพนั่นเองเพราะรู้ตัณหาก็การตัณหาได้ใช่ไหมถ้ารู้เจตนากรรมก็แยกกรรมกุศลกรรมอกุศลกรรมถูกการตัณหาได้ไหมการตัณหาที่จะไปในภพสามได้เลยคือจะดับจะรอบรู้ตัณหาไปด้วยถามว่าเจตนากำเนี่ยมโนสัญเจตนาหารได้แก่อะไรอกุศลเจตนา12มหากุศลเจตนา8แล้วก็มหาคัตาเจตนาอีกเนี่คือเจตนากรรม แล้วก็มักกรรมนั้นก็อีกอย่างเจตนาในความโลภเจตนาในความโกรเกธเจตนาในความหลงเจตนาในมหากรุสทั้งเป็นนนะยิยานนะสามยุทธยานนวิปยุทธอสังขาริก ส, สังขาริกนี่เจตนาในปฐมฌานทุติยฌานเป็นต้นใช่ไหมลักษณะอย่างนี้ก็กําหนดกรรมได้แล้วก็การตัณหาได้ในภพสมได้ดูก่อนพิกษจน์ทั้งหลายเมื่อกําหนดรอบรู้วิญญาณนัขันแล้วเอวิญญาณอาหารแล้วนามรูปก็เป็นอันกําหนดรู้แล้ว ถ้ากำหนดวิญญาณก็ชื่อว่ากำหนดนามรูปแล้วแต่ฐาคตกล่าวว่าเรียาสาวกจะไม่มีกิจอะไรที่จะต้องทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถามว่าไม่ต้องมีกิจอะไรแล้วที่จะต้องทําให้เันยิ่งยิ่งไปกว่านี้ยถ้ารอบรู้ทั้งยาตปริญญากําหนดรู้โดยการรู้คือรู้จักสภาพตัวเขาจริงๆสภาวะเขาจริงๆตีรณาปริญญากําหนดรอบรู้ด้วยความไม่ที่ยังเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา ปหานปริญญาระฉันทราคาในอาหารเหล่านั้นได้อย่างยกตัวอย่างเช่นผัสสะไอ์กาวลิงกะาหารเนี่ยถ้าหากว่ารอบรู้ยาตัปริญญาของกาวลิงกะาหารรู้อะไรรู้โอชาเป็นที่แดรู้จักดินน้ำไฟลมสีกิ่นรดโอชารู้รูปแดรูปนี้ว่าแต่ละคำที่บริโภคเข้าไปแล้วก็รู้ว่าเพื่ออะไรเพื่อการดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เป็นต้น เรารู้จากรูปตัวนี้ดีว่าตัวรูปเหล่านี้ให้วิตามินให้ร่างกายอยู่ได้เนี่ยพอตีรณปริญญาเนี่ยกำหนดว่าอาหารเที่ยงไหมตัววิตามินเนี่ยบางทีชั่วโมงหนึ่งหมดแล้วตอนนี้เราหมดหรือยังยังหมดหรือยังอาหารเชู่ายังไม่หมดเนี่ยมีไหมอ่ะเดี๋ยวเย็นๆจะต้องมีน้ําปนะบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยเพิ่มเนี่ยเห็นไหมแต่จริงๆแล้วบางทีก็เริ่มแล้วเริ่มจะหมดแล้วแรงเริ่มหมดนี่อย่างนี้ก็เรียกว่าเริ่มกําหนดเห็นความไม่เที่ยง หยดใส่ทีไรก็หมดหยอดใส่ทีไรก็หมดมันแปลเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานี่คือความไม่เที่ยงของเกาวลินกลาภาษาละถ้าตัวของเขาคือตัวกระทบทางๆหงูจมูกลิ้นกายใจภาษาไม่เที่ยงภาษาเป็นปัจจัยกับเวทนาเวทนาก็ไม่เที่ยงวิญญาณอาหารมนโนสัญเจตนาหารตัวกรรมก็ไม่เที่ยงใช่ ไ, ไหมกรรมในอดีตดับไปหมดได้ยักรรมที่ทําให้ได้วิบากปัจจุบนนันเนี้ดับหมดแล้วกรรมที่จะทําให้ได้วิบากต่อไปในอนาคตดับหมดแล้ว แต่ที่ดับแล้วมีผลไหมมีผลดับแล้วน่าจะไม่มีนะถ้าไม่มีก็เฮ้ยทาบุญลําบากเลยทําบุญแล้วไม่ตั้หาสมุทยาอาหารลาสมุทโยเนี่ยมีด้วยความเพราะตถาคาเก่า ก, ก่อนเกิดขึ้นสมุทัยเหตดเกิดนี่นะที่การเกิดขึ้นแหอาหารทั้งหลายมีแต่ปฏิสนธิย่อมมีขึ้นมีมาแต่ปฏิสมัมพนธ์นะอย่างไรมีอย่างนี้ก็คือว่าเมื่อขนาดปฏิสนมิันธ์ตอนเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าโอชา ที่เกิดขึ้นแล้วภายใน30สรู ป, ปนในกายธาทุศาสตรกราบมีโอชาไหมก็ต้องมีโอชาใช่ไหมโอชานั้นเขาเรียกว่าโอชาเกิดแต่เกิดจากกรรมในภาวะธาศาสตรกราบมีโอชาไหมวัตถุทาตศสตกราบมโอชาไหมสรุปแล้วมีโอชาใช่ไหมทั้นนั้นโอชานั้นแหละที่เกิดจากรูปทั้งสมกลุ่มนั่นแหละก็ตัวอาหารน่ะ เกิดมีแม้แต่ในขณะปฏิสสธที่เือเกิดขึ้นด้วยสามารถแห่งสันติอุปาทาิปิ์กาวลิงกราหานที่เป็นอุปาทิน ก, กะคือ ท, ที่มีใจคลองอะ่ะใช่ไหมกาวลิงกาลาหานที่ที่อยู่ในสิ่งที่มีชีวิตเรานี่แหละมีโอชาประเภทนี้อยู่เกิดขึ้นแล้วเพราะตัณหาเป็นปัจจัยถามว่าถ้าไม่มีตัณหาเก่าก่อน จะมีไหมจะมีโอชาที่เกิดจากกรรมนี้นะ่ไ่มนี่เราเพราะมีตัณหาคือความอยากเกิดในภพทั้งหลายนี่แหละก็เลยได้โอชาที่เกิดขึ้นมาทีนี้คืแต่แต่บางทีมันอยากได้ไม่สมกับที่เราอยากนะเช่นอยากจะรวยอยากอยากจะสวยใช่ไหมอยากจะสวยงามมากแต่เราเกิดมาในชาตินี้เราเพลิดเพลินในการชอบเปแต่งอชอบอะไรต่างๆในนี้ประดาปดาตกแต่งด้วยตัณหาราคาที่ถี่ไงนะไปไปมาเราไปเกิดเป็นสัตว์บางจะพวกเธอ พอเกิดไปมาแล้วก็ดูแลตัวเองอยู่นั่นแหละอวดนะดินไปที่ไหนก็อวดโฉมตัวเองอยู่นั่นแหละหมุนกายหมุนขวาเขาต้องการโชว์ตัวเขาจริงๆนี่อะไรในกลุ่มที่ไหนจะไปพูดนี้เดี๋ยวพวกกลุ่มที่เ่าน้นๆจนมาก็จะบอกคลยทในขณะที่จิตที่ทำไปทำด้วยตัณหานะบางพวกนี้ได้ได้เป็นเม่นเลยนะขนงามจังก้นขนงาม ส่วนภาษาอาหารมโนสังเจตนาอาหารและวิญญาณอาหารที่เป็นอุปาทินากาเหล่านี้คือภาษะและเจตนาที่สัมยุญโดยปฏิสนมิและวิญญาณที่ตัวจิตนั่นเองเกิดขึ้นเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยอย่างนี้ถามว่าภาษะมีตัณหาเป็นปัจจัยไหมมีมโนสังเจตนาอาหารในการทํากรรมก็คือมาจากตัณหาแม้แต่ปฏิสนมพี่วิญญาณก็มีตัณหาเนี่ยแหละเป็นปัจจัยเึงทราบการเกิดขึ้นแห่งตัณหาทั้งหลายมีมาแต่ปฏิสนมิ พราะปัญหาเกิดขึ้นดังพารณามานี้ก่อนเอพิจารณาอย่างนี้นะว่าเขาเรียกว่าปัญหาเกิดปัญหาเกิดรูปก็เกิดปัญหาเกิดอาหารก็เกิดนี้เขาเรียกว่าพิจารณาถึงเหตุเกิดของอาหารเหตุเกิดของอาหารถ้าถามว่าอาหารเวลาจะเกิดเราคิดถึงรู้จักอาหาร ่เรารู้จักแล้วเรียนอาหาร4ี่มาศึกษามาพอสมควรแล้วรู้จักเหตุเกิดของอาหารไหมในยะานี้รู้จักคืออะไรอคิอปัญหาความยินดีพอใจในอาหารยินดีพอใจในสัมผัสยินดีพอใจในการทำกรรมยินดีพอใจในการที่จะย่างลงสู่ภพเนี่ยใตัเนี้ยเป็นปัญหานี่คือเหตุเกิดของอาหาร ถ้ายังมีตัญหาอยู่ก็ชื่อว่าสร้างเหตุของอาหารอยู่แต่เพราะเหตุที่ในอาหารวาระนี้ท่านภาษารีบุตรกล่าวถึงอาหารค้าเข้ากับอาหารที่เป็นอุปาทินกะคืออาหารที่มีเกลคอนี่ยนะ และเป็นอนุปาทินกะคืออาหารที่ไม่มีใจทองคืออาหารที่อยู่ข้างนอกก็มีฉะนั้นจึงควรทราบการเกิดขึ้นของอาหารและปัญหาอันเกิดก่อนอย่างนี้สําหรับอาหารทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินกะดังต่อไปนี้ว่าอันที่จริงเนี่ยนะโอชาที่อยู่ในรูปทั้งหลายที่ตั้งขึ้นแปดจิตที่สหละคดด้วยโลภะแปดวงนี้คือกวลิงกาลาอาหารที่เป็นอนุปาทินกะ ถามว่าโอชาที่ตั้งขึ้นด้วยจิตที่มีโลภะเนี่ยแามว่าเพราะมีตัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยปัจจัยนยในขณะที่กินอาหารเนี่ยตอนนั้นโอชาตั้งขึ้นไหมทุกครั้งที่เที่ยวเนียโอชาลูกเกิดตั้งขึ้นทุกครั้งถ้าในขณะนั้นโลภะตั้งขึ้นด้วยนั่นแหละคือโลภะเป็นปัจจัยกับอาหารชีวิตเกิดทุกครั้งที่เที่ยวด้วยโลภะเที <c oughs> ่ยวด้วยความอเล็กอร่อยเคี่ยวด้วยความเมามันนอันนั้นคือโลภะเป็นปัจจัยให้อาหารชีวิตเกิดบางกลุ่มก็ทพกินดไม่อใจ แค้นเคืองทำอะไรไม่น่าจะกินเลยไอ้ขั้นไม่กินก็ไม่ได้กินทาไมเมืวันนี้ไปได้อาหารมาไม่ดีเลยเพราะขั้นเนี่เน่ดีตเคยเป็นนะตอนนั้นไม่รู้จกักการกำหนดอาหารพอได้อาหารไม่ค่อยถูกใจโอ้ยไม่ค่อยสบายใจเลยบอกโอ้ยทำไมก็ททำอาหารอย่างเงี้ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะไปบินระบาศ เอาเข้าวเหนียวใส่ยังไม่พอปลาไหลใส่ก็อิ่ <c oughs> ได้ก็เหนียวเลยยังไม่พอใช่ไหมปลาไหลใส่ก็อีกมันก็เละดีแต่นี้ที่มันแตกนะถุงมันแตกนึกไม่พอใจละหานมือนั้นนะที่จริงถ้ามาแยกกินก็อร่อยใช่ไหมถ้ามารวมกินแล้วไม่ค่อยอร่อยแท้จริงเข้าอยู่ในท้องมันก็รวมกันนะจะต้องแยกอันนี้ของหวานของเค้าอ่ะนแยกมนุษย์นี่เรื่องมากจริงแต่ถ้ารวมรวมรวมวมาอย่างไม่ไหวเลยนะแท้จริงให้ผ่านให้ผ่านทวานตาเข้าไปถือว่าไม่ไม่มีปัญหา ใชพอใส่เข้าไปในป่ากมองผ่านตะวันตาที่ตามองไม่เห็นลเลยมันจะเป็นยังไงก็ได้ชาเค้าเสลตน้ําลายน้ําเหลืองน้ำหนองอย่างไรก็กินได้อย่างอะไดอร่อยแต่อย่าคลายออกมาดูนะงั้นจะผ่านหลุมคอลงไปแล้วบอกไม่มีปัญหาที่กินมันมีอะไรติดอยู่เนี่ยถ้ามีอะไรฉายกลับไปดูหรือมองตาแล้วมองกลับไปแล้วเห็นวันวันหนึ่งไม่ได้ทำกิจอะไรกันนั้นนอกจากอ้วก อ้ที่ของกินตรงนี้มันปิดพอปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยผู้มีปัญญาทั้งหลายก็รอบรู้ได้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นฉะันโอชาที่อยู่ในรูปทั้งหลายเนี่ยมีโลภะเป็นปัจจัยนั่นแล้วมีปัญหาเป็นปัจจัยและมีปัญหาเป็นปจจส่วนผัสสะเจตนาที่สัมยุญ ด, ด้วยเกียจิตสองลักษตะด้วยโลภะวิญญาณตัวนั้นนั่นเองรวมแล้วสามอย่างเหล่านี้ได้แก่ผัสสะอาหารมโนชนเจตนาอาหารและก็วิญญาณอาหารที่เป็น อนุปาถินาการเกิดขึ้นแล้วเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยดังนี้พิจารณายัางไงถามว่าในขณะที่ตัณหาเกิดขึ้นโลภะเกิดนี่นะในขณะนั้นเจตนากรรมมีไหมมโนสังเจตนาอาหารเกิดใช่ไหมแล้วในขณะนั้นมโนสัมผัสทางใจมีไหมเห็นไหมมีก็อีกตัวโลภะเกิดขึ้นเป็นตัววิญญาณใช่ไหมนั่นแหละคือตัววิญญาณอาหารโดยสรุปคือว่า อาหารทั้งสี่เลยะทั้งสี่อย่างเลยทั้งกวลินกราอาหารผัด ส, สาหารมโนสันเจตานาหารและวิญญาณอาหารมีตันหาเป็นปัจจัยใช่ไหมเป็นให้กรรมเป็นอะไรเด็ดเศษหมดเลยตรงนี้เราทำกรรมทั้งในขณะที่กินข้าวในขณะบริโภคข้าวแต่ละคำแต่ละคำาอยคนทำกรรมชั่วนะสร้างโลภะเท่าไหร่ปริมาณของโลภะเท่าไหร่ แล้ววิบากจะพึงจะได้รับเนี่ยเท่าไหร่ชาวน้าดวงที่หนึ่งให้ผมให้ผลพบนี้เลชาวน้าดวงที่เจ็ดให้ผลในพบที่สองชาวน้าดวงที่สองถึงดวงที่6ให้ผลพธที่สามเป็นต้นไปมีเป็นอย่างนี้นี่คือการพิจารณาในเรื่องของตันหาเกิดอาหารเกิดงั้นในขณะที่เคี้ยวข้าวเนี่ยได้อาหารกีอาหารสี่เลยใช่ไหมเคี้ยวอาหารจีใช่ไหมได้กายังกาลาหารผัสสาหารมโนสัญเจตอาหารแล้วก็วิญญาณอาหาร มีตันหาเป็นปัจจัยบางครั้งก็มีโทสะเป็นปัจจัยบางทีก็มีโมหาเป็นปัจจัยทำยังไงเนาะจะทำให้มีมหากุสลเป็นปัจจัยบ้างรองคิดโ ด, ดีวันหนึ่งกินอาหารสามมือ้อมื้อหนึ่งเคี่ยวอาหารกี่ครั้งแต่ละครั้งวิถีกิจเกิกี่ร้อยครั้งโลภะแต่ละ แต่ละครั้งที่เกิดขึ้นแต่ละวิธีที่เกิดขึ้นมีวิบากนะก็ไปพิจารณาเองก็ไลนะ้ก็ไปตรวจสอบเองถามว่าเพียงพอไม่ที่จะละกิเลสได้ถ้าเราไม่ตรึกพิจารากันจริงๆบางคนบอกโอ้จะไปไปฏิบัติแต่ยังไม่รอบรู้ไม่ชัดเจนในเรื่องตรงนี้ถามกำหนดอะไร ในชีวิตประจาวันไหมเนี่ยในชีวิตประจาวันต้อ ง, ต, องต้องกำหนดให้ให้ชัดยัางพิงกลับไปอยู่ทานอาหารประบายแล้วเกาลิงกับาหารเหมือนสามีภรรยากินเนื้อบดเยอรเลยัดสาหารเหมือนกับแม่โคถูกถลกหนังอะไรเงี้ยมนโนสัญเจตนาหารเหมือนกับหลุมทานเพิงอต่อไปดูตันหาดับแล้วก็อาหารดับ ตัญหานิโรธาอาหารรนีโลโทความว่าความดับแห่งอาหารย่อมปรากฏเพราะอาหารเพราะการดับแห่งตันหาที่เป็นปัจจัยของอาหารทั้งหลายทั้งที่เป็นอุปาทินากะและที่เป็นอนุปาทินากะรู้จักอุปาทินากะไม่เนนพิระยุทธ์ไม่ใช่อุปาทินากะในที่นี้หมายถึงมีชีวิตมีใจครอง แล้วก็ที่เป็นอนุปาทินากะที่ไม่มีใจครองคาที่เหลือนอกจากอธิบายมานี้มีในดังที่กล่าวไว้แล้วนั่นแหละจะให้พิจารณาอย่างไรพิจารณาเมื่ออาหารเกิดเมื่อเกลิงกลาหารเกิดอะไรเกิดอะไรเกิดรู ป, ปกายน่เกิดใช่ไหมโอชานะเกิดโอชานะโอชาคืออาหารเกิดแล้วก็ให้รู ป, ปกายเกิดขึ้นรู ป, ปกายตั้งอยู่ดํำรงอยู่ได้แต่ถ้าเกลิงกลาหารดับนลยรู ป, ปกายดํารงอยู่ได้ไหมดำรงอยู่ไม่ได้ ถ้าผัสสะหารคือผัสสะเกิดเวทนาเกิดไหมเวทนาก็เกิดถ้าผัสสะดับเวทนาก็ดับถ้ามโนสันเจตนาหารเกิดเจตนากรรมเกิดเนี่ยพบสมมีพบสามเกิดไหมการมาพบรูปพบอารมณ์พ บ, พ บ, พบวิบากที่ต้องไปได้ แต่ถ้าหากว่าโมโนสัญเจตนาอาหารดับทบทั้งหลายก็ดับวิญญาณอาหารเกิดเจตสิกและกรรมมชรูปเกิดไหมถ้าวิญญาณ น, นั้นดับถ้าโลภะจิตไม่มีจะมีโลภะเจตสิกน้เป็นต้นเนี่ยเห็นไหมให้พิจารณาในอาหารวารานี้ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวในสัจจะทั้งสี่ไว้โดยสรุปแล้วในทุกวาระนอกเหนือจากนี้ท่านก็ได้กล่าวไว้เหมือนกันฉะนั้นให้พิจารณาตรงนี้ที่ท่านบอกว่า ในเรื่องของอาหารวาระให้พิจารณาถึงเหตุเกิดความดับให้พิจารณาถึงคุณของอาหารและโทษของอาหารนในการอย่างลงอริยสัจการรอบรู้อย่างนี้เขาเรียกว่าอย่างลงในอริยสัจนะ ย, ยกตัวอย่างเช่นว่าอาหารนี้เกาลิงกะอาหารนี่เป็นสัจจอะไรเป็นทุกขสัจจ์เวทนาไอภาษาอาหารเป็นมโนสังเกตนาอาหารเป็นวิญญาณอาหารเป็นแท้จริงก็คือเป็นทุกขสัจ ใช่ในส่วนของโลกียะสิฉะนั้นในในในส่วนของทุกขสัจจ์เนี่ยการที่ไปกําหนดตัรอบรู้อย่างเนี้โดยยาตาปริญญาตีรนะนาปริญญาและประหารนะปริญญาศีละฉันทราค่าเนือาหารเหล่านั้นได้แล้วก็ปฏิปทาข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความดับอาหารก็คือเป็นมรรคสัจมีเป็นอย่างนี้ฉนันในการพิจารณาอย่างนี้ที่สูเหล่านั้นก็พากันชื่นชมภาสิทของท่านพระเถรนะโดยในที่กล่าวมาแล้วนะศา สาธุโวโซแล้วก็ได้ถามปัญหาที่สูงขึง้นไปเออถ้าพิจารณาอย่างนี้ว่าท่านภาษาได้บุตรสรุปลงในในทุกขสัตว์นะแล้วก็ลงในคําว่าประชานาติคือให้รอบรู้คือให้รู้ชัดหรือรู้ทั่วในทุกขสัตว์แล้วก็ลาสมุทยสัจจะทำนิโรธให้แจ้งแล้วก็อบรมเจริญอริยมรรคเอาวันนี้ต่อจากเมื่กวานี้นะเนี่ยเกี่ยวในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของอาหารอาหารวาละนะในคําสอนที่ท่านภาษา บุตรได้ถามบอกว่าอาหารคืออะไรเราคุณจ่บอกเหตุเกิดแห่งอาหารความดับแห่งอาหารปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งอาหารคืออะไรโดยความหมายก็คือว่าอาหารคืออะไรเหตุเกิดของอาหารคืออะไรแล้วก็ปฏิปทาความดับของอาหารคืออะไรปฏิปทาที่ให้ถึงความดับของอาหารนั้นคืออะไรในคําสอนตรงนี้นั้นท่านสอนในลักษณะของคําว่าอาหารมีสอย่างเพื่อใสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น แล้วก็ดำรงชีพอยู่ได้เพื่ออนุคอสัตว์ทั้งหลายที่กำลังสแสวงหาที่เกิดถ้ามาพิจารณาในแง่ของกาวลินตาลาอาหารเนี่ยถามว่าอาหารคืออาหารที่เป็นคํคๆทั้งหลายใช่ไหในขณะที่สัตว์ทั้งหลายเคี่ยวกินอาหารอาหารนั้นตั้งอยู่แล้วตั้งอยู่แล้วที่ปลายลิ้นเที่ยกินทุกๆครค่ะ แต่ละคําที่เคี้ยวกินลงไปนั้นก็ยังโอชาเป็นที่8โอชารูปเป็นที่8ดให้ตั้งขึ้นโดยสรุปก็คือว่าทําให้ดินน้ําไบลมสีกลิ่นรดแล้วก็โอชานะี่ยตั้งขึ้นในในสรีระในร่างกายของสัตว์นั้นก็ทําให้สัตว์ทั้งหลายนั้นสามารถที่จะดํำรงชีพอยู่ได้ท่านว่เหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่านั้นน่ะคือคุณของอาหารฉะนั้นในอัศสาทในคุณของอาหารนั้นคือสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็จะต้องสแสวงหาในการ การที่จะกินใช่ไหมในการที่จะแสวงหาปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งหลายที่จะทําให้การดํารงอยู่ของชีวิตนั้นเติมไปได้ฉะนั้นลักษณะของเมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วก็ให้สุขเวทนาให้โสมณะให้ความเอิบอิ่มให้ความเพลิดเพลินและในที่สุดจริงๆก็ให้ความติดข้องนั่นแหละก็ทําให้เกิดความสุขความสบายใจความ ไม่กังวลใจจากการที่ได้มีอาหารเหล่านั้นมานั่นเขาเรียกว่าคุณของอาหารทีนี้ถ้าไปพิจารณาถึงว่าภัยของอาหารภัยของอาหารโทษของอาหารหรือว่าเมื่อมีอาหารแล้วนี่สิ่งที่จะตามมาเพราะการได้มาซึ่งอาหารโดยเฉพาะในแง่ของกวลินจลาาหารเนี่ยภัยที่จะตามมาก็คือว่าภัยในการที่จะต้องแสวงหาอาหารเนี่ย เออถ้าพูดถึงในแง่ของในกลุ่มของกรรมฐานที่จเจริญกรรมฐานในแง่ของอาหารเรปริกูและสัญญาเนี่ยท่านพิจารณาเห็นไทยแม้กระทั่งนในการแสวงหาอาหารเลยเนี่ยแม้ได้อาหารมาแล้วเนี่ยในขณะที่จะต้องเคี้ยวกินลงไปแต่ละครั้งเนี่ยถามว่าเมื่ออาหารนั้นไปกล้วกกั น, นลายไปกล้วกันกันกบอเสลจที่อยู่ในในปากของตนเองแล้วเนี่ย แล้วเลยหลุมคอลงไปแล้วแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ปฏิกูลเป็นต้นเนี่ยไอ้ตรงนั้นทัาให้พิจารณาถึงไัยของท่านของอาหารนั่นเองโดยสรุปตรงนี้ก็คือกาวลิงกะหะกราหานั้นมีไพรเพราะในฐานะที่เป็นโทษโทษของเขาก็คือมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นนาณตาเนี่นลยทีนี้ถ้าถามบ อ, อกไวแล้วผัดสาอาหารและภัยของคุณของเขาคืออย่างไรก็ให้สุขเวทนาใช่ไม ผัสสะที่จะเป็นปัจจัยแก่สุขเวทนาเขาก็เป็นปัจจัยแก่สุขเวทนาแต่ถ้าผัสสะที่จะเป็นปัจจัยแก่ทุกขเวทนาเขาก็เป็นปัจจัยแก่ทุกขเวทนาหรือในที่เสิดจริงๆก็เป็นปัจจัยแก่อุเบขาเวทนาเนื่องนั้นถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายที่ไปสแสวงหาเวทนาเนี่ยคือแสวงหาความสุขจากผัสสะไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนั้นน่ะถามว่าได้ไหย ได้ความสุขคือได้สุขเวทนาแต่ถามเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วอะไรตามมาอะไรตามมาราคะราคานิสัยตามมาเมื่อราคะเกิดขึ้ น, นมีไหมทิฐิไม่เกิดใช่ไหมถ้าหาว่าโลภะทิฐีก็จัสัมบยุตจิตเกิดขึ้นแล้วทิถีก็เกิดถ้าโลภะทิถีข่าวิปยุตจิตเกิดขึ้นแล้วก็มานะก็เกิดใช่ไหมท่านถึงบอกว่าเมื่อกล่าวถึงราคะกล่าวถึงโลภะแล้วก็ต้องพูดถึงทิฐิแล้วก็มานะด้วย แล้วก็จะได้คิดฐานุใสแล้วก็มานานุใสตามก็มาด้วยในขณะที่สุขเวทนาเกิดขึ้นเพ่อใสสุขสัมผัสไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจในชีวิตประจําวันเราเจอแบบนี้นะฉะนั้นอารมณ์ทุกอารมณ์ที่เป็นปัจจัยเกิดสุขถ้าไม่กําหนดไม่รอบรู้ผัรษะไม่เห็นโทษของผัรษะเหมือนกันกับแม่โคที่ไปยืนอยู่แล้วก็ถูกถลกหนังออกมาไปยืนอยู่กลางแจ้งแล้วก็เป็นหมูแมลง ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็บินเข้าไปหาเพื่อที่จะกัดจะกินเนี่ยถ้าไม่เห็นความทุกข์หรือไม่เห็นโทษของผัสสะขนาดนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะละราคะไม่สามารถที่จะละทิฏฐิคือความเห็นผิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะละมานะได้มีเป็นอย่างนั้นในคำสอนโดยทั่วทั่วไปที่พระพุทธเจ้าทรงต้นสอ น, นในคำหนึ่งที่ใช้คำว่าทิฏฐิเนี่ย ไปนี่คำว่านั่นเรานั่นเรานั้นคืออะไรนั่นเรานั้นคือปัญหานั่นของเรานี่คืออะไรนี่คือมานะนั่นอัตตาตัวตนของเรานี่คืออะไร นี้สุทธิใช่ไหมนั่นเราเนี่ยนั่นเราในที่นั้นหมายความว่าขันห้าเนี่ยการที่ไปยึดติดไปยินดีไปพอใจนั้นด้วยอํานาจของตัณหานั่นอย่างหนี่งถ้าอีกอย่างก็หมายว่านั่นของเรารูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราวิญญาณของเราใช่ไหมรูปนามกายกับใจนี้เป็นของของเรานี้ด้วยอํานาจของมานะ นั่นตัวตนนั่นอัตตาของเรานั้นด้วยอำนาจของทิฏฐิใช่ไหมถามว่าโรคเนี่ยก็เป็นตัวเราเวทนาสัญญาสังขารยิญญาณก็เป็นตัวเรา สรุปก็คือความคิดทุกความคิดเป็นของของเราความสุขความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายความวิบัติพัฒภาทั้งมวลเป็นของเราเนี่เป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนของเราไม่มีใครมาทุกข์กับเราในลักษณะอย่างนี้เป็นอะไรเป็นทิฏฐิโดยสรุปแล้วก็คือยึดอยู่อะไร ปัญหามานะแล้วก็ทิฏฐิอย่างนี้ท่านเรียกว่าปะปัญเจธรรมธรรมที่ทำให้เนื่นช้าเนื่นช้าในอะไรเนื่นช้าในวัตตะทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิด อ, อยู่ในขณะที่อะไรสุขคเวทนา อาศัยสุขสัมผัสคือสัมผัสที่เกิดทางตาการกระทบกันระหว่างสีเอ่ยจากขูประสาร์แล้วก็จากขูวิญญาณ3อย่างนี้ประชุมรวมกันก็เป็นปัจจัยเกิดสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างและอุเบกขาเวทนาบ้างสรุปแล้วทางตาให้สามเวทนาหเห็นไหมว่าถ้ากําหนดทางตาไม่ดีถ้าไม่รอบรู้ว่าเหมือนกันกันกบโคแม่โครหรือวัวตัวนั้นที่ไปยืนอยู่กลางแจ้ง โดยการถูกถลกหนังออกลอกหนังออกจริงๆแล้วถามว่าเราจะเห็นสุขสัมผัสทางตาเนี่ยโ ด, ย ค, ด, ย, ดยความเป็นทุกข์ไม่ได้เลยเมื่อเห็นโดยความเป็นทุกข์รอบรู้ตามความเป็นจริงไม่ได้มันก็การตันหาไม่ได้ใช่ไหมกันว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราไม่ได้เมื่อการไม่ได้เนี่ย ตั้งสติสัมปชัญญะโดยเพราะความไม่รู้ชัดในผัสสาหารเมื่อไม่รู้ชัดในผัสสาหารไม่เห็นโทษของผัสสาหารโดยการเป็นแบบเหมือนเม่โคที่ยืนอยู่กลางแจ้งก็ละอะไรไม่ได้ละตัณหามานะทิฏฐิไม่ได้นี่ในกลุ่มของสุขเวทนานะแต่ถ้าในาขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้น และไม่ได้กําหนดไม่รอบรู้ในทุกขเวทนาคือไม่รู้จักภาษเพราอไม่รู้จักภาษาพอเจออนิจฐารมอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเนี่ยแค่ทางตาอย่างเดียวใช่ไหมเห็นสีจากขูประสาทคือตาจากขู่วิ ญ, ญญาณประชุมรวมกันเรียกว่าสัมผัสถ้าสัมผัสในสีในสั่วทรงในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเนี่ยอะไรน้อยจะตามมาคืาอปฏิทุกขเวทนาตามมาเมื่อทุกขเวทนาตามมาแล้ว ปฏิฆานุใสก็ตามนอนเนื่องใช่ไหมก็เกิดขึ้นเพราะอนุสัยเนี่ยเพราะอาจจะไวละได้ยากอยู่แล้วเพราะเขายังล้าไม่ได้น่นเด็ฉะนั้นปฏิฆาคือโทสะนี่ก็มีกําลังมากขึ้นมีกําลังมากขึ้นเพราะตามนอนตามอารมณ์ที่เป็น อนิฐารมและก็ในทุกขเวทนาที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นนั้นในขณะนั้นชื่อว่าไม่ได้รอบรู้นะไม่ได้ทำยาตะปริ ญ, ญาไม่รู้จักภาษานะไม่ได้กำหนดรอบรู้ภาษาจริงๆก็เลยกันโทมนัตคือกันโทมนัตในที่นั้นก็เพราะว่าโทมนัตต้องเกิด อ, อยู่แล้วแต่ไม่ได้การปฏิคานดยใสถามว่าทาไมอะถึงไม่รู้ทาไมจึงไม่รอบรู้ ก็เพราะเราไม่ได้กําหนดรอบรู้ตัวผัสสะเนี่ยว่ามันเป็นโทษมันเป็นโทษเมื่อปฏิฆาเกิดขึ้นมาแล้วก็สร้างมโนสร้างกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตเมื่อกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นมโนทุจริตบ้างเป็นกายทุจริตแล้วก็เวจีทุจริตมีเป็นอย่างนี้เนี่ยทีนี้เมื่อโทสะเกิดขึ้นมาแล้วก็ทํากรรมอันชั่วช้าแล้วก็ลามกต่อไปด้วยการไม่รอบรู้ผัสสะ ทีนี้ถ้าหากว่าในขณะที่อารมณ์ที่เป็นมัชตารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยทางตาจากักขูประสาทเอย้ยสีส้วนทรงเอย้ยแล้วก็จกักขูวิญญาณรวมกันอย่างนั้นก็เรียกว่าผัสสะใช่ไหมผัสสะเกิดขึ้นเป็นปใจใัจจัยเกิดอุเบกขาเวทนาฉะนั้นอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นมาเนี่ยอะไรจะตามมาอาวิชชาอาวิชชานั่นแหละ อวิชชาคือความไม่รู้เนะ่ยเมื่ออวิชชาหนุสัยเกิดขึ้นมาแล้วเนะี่ยวิจิกิจฉานุษใสจะเกิดนะไหมเห็นไหมอวิชชาเกิดวิจิกิจฉาก็ย่อมเกิดอยู่แล้วคือความรังเลใจอะไรก็จะต้องเกิดขึ้นมาทีนี้ปัญหาตามมาอีกอย่างก็คือให้สังเกต ด, ดูนะว่าในขณะที่ไม่รู้ชัดในสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุก ข, ข์มสุขเวทนาเนี่ยแท้ที่จริงก็คือไม่จักไม่รู้เหตุเกิด ไม่รู้เหตุเกิดไม่รู้ความดับเมื่อไม่รู้เหตุเกิดไม่รู้ความดับไม่รู้ไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้ตัวผัสสะไม่รู้เหตุเกิดของผัสสะว่าอะไรเกิดผัสสะจึงเกิดหนูไม่รู้เมื่อรู้ความดับของผัสสะไม่รู้ปฏิปทาที่จะทำให้เข้าถึงความดับของผัสสะถามว่าไม่รู้เหตุเกิดของผัสสะไม่รู้ผัสสะคือไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าผัสสะนั้นมีเท่าไหร่หรือสภาวะของผัสสะนั้นเป็นอย่างไร ถ้าอย่างในความหมายของพวกเราคือภาษาธรรมชาติที่กระทบอารมณ์อย่เราได้แค่นั้นเลยได้แก่กระทบอารมณ์มากระทบอะไรคือเป็นการประชุมกันระหว่างทางตาก็ประชุมสีประชุมจักขคูวิญญาณประชุมจักขคู่ภาษาสามอย่างอีูรวมกันเรเรียกว่าภัาษาถ้าทางทวารหูวก็คือศัตรูลมคือเสียงโสตประสาทแล้วก็โสตวิญญาณประชุมรวมกันก็เรียกว่าโสตสัมผัสใช่ไหมทางจมูกก็คือกลิ่น ฐานประส า, ศาศทคือแล้วก็ฐานวิญ ญ, ญาณประชุมรวมกันก็เรียกว่าฐานะสัมผัสทั้งลิ้นเราเรียกยังไงรสชิวหาประสาทชิวหาวิญญาณประชุมรวมกันก็เรียกว่าชิวหาสัมผัสแต่ถ้าหาทางกายละ่ะโพธพารมเย็นร้อนอ่อนแข็งใช่ไหมมากระทบแล้วก็กายวิญ ญ, ญาณแล้วก็กายประสาทประชุมรวมกันเรียกว่ากายสัมผัสทางใจก็คือธรร ม, มารมทางมโนทวารแล้วก็มโนวิญ ญ, ญาณ ไปชมปรวมกันก็เรียกว่ามโนสัมผัสะโดยสรุปก็คือภัสสะเกิดหกทางนี้เนาะมิตตัวผัสสะอย่างนี้ต้องรู้เขาต้องทำยาตัาปริญญาต้องไปกําหนดรู้ในภัสสะเหล่านีน้ถามว่ารู้ผัสสะอย่างนี้แล้วเนี่ยเพื่อปิกต้องการที่จะไปรู้ตัวเขาสภาวะของเขาี่เป็นอย่างนี้เมื่อรู้ผัสสะก็ต้องรู้เหตุเกิดของภัสสะเหตุเกิดของผัสสะคืออะไรตัณหาใช่ไหมตัณหาเกิดด้วยความยินดีพอใจตัณหาเกิดภัสสะก็เกิด แท้จริงก็คือว่าในยะท่าในตามในยะของปฏิตญาเนี่ยท่านบอกว่าสรายาตนะปัจยาพัสดุถามพราะมีตาใช่ไหมผัสสะทางตาจึงเกิดเพราะมีหูใช่ไหมผัสสะทางหูจึงเกิดพราะมีจมูกผัสสะทางจมูกจึงเกิดพอมีลิ้นผัสสะทางลิ้นจึงเกิดพราะมีกายผัสสะทางกายจึงเกิดเพราะมีใจผัสสะการกระทบทางใจจึงเกิดขึ้นแต่พัดลมไม่ดีเลยใครจะเอาก็เอ า, เอาใช้ฮุกอากาศ ได้ละอากาศได้อุณหภูมพอ